ا ل ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين و ل ا ع د و ا ن إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أ ي ا ت ي س و ك ق و م سورة التوبة، س ن i c ن ه ى s m a ك y important t บังคับกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับเกี่ยวกับต่างชาติอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าต่างศาสนิกในหลักการศาสนาเปรียบเทียบกับกฎหมายสากลปัจจุบันก็เหมือนต่างชาติเพราะกฎหมายอิสลาม ไม่มองถึงความต่างในด้านสีผิวหรือเชื้อชาติหรือไม่มีการแบ่งวรณนนะแต่งใดแต่ขอ้อแตกต่างในหลักการศาสนาอิสลามก็จะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาศา ส, สนาและความเชื่อเนี่ยนี้เรื่องอธิบายไปแล้วหลายหลายครั้งซึ่งถ้ามองในด้านกฎหมายก็มีความชอบอยู่แล้ว ถึงที่ที่ผมพูดบ่อยเรื่องนี้เนี่ยเพื่ออธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจในเหตุผลและสามารถนำเหตุผลเนี้ยไปตอบได้กับคนที่อาจจะสงสัยเรื่องนี้เราจะได้มีพื้นฐานเขาเเรียกเกี่ยว่ัจริยธรรมกฎหมายจริยธรรมกฎหมายนี้ก็คือความชอบของกฎหมาย ถึงว่าอิสลามเนี่ยไม่ต้องการมุมนี้หมายถึงว่าอิสลามไม่ต้องการให้มนุษย์มีความชอบในกฎหมายอิสลามถูกต้องไหเพราะกฎหมายอิสลามเนี่ยถ้ารับความชอบจากพระวิญญเจ้าในในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงบัญญัติทรงร่างกฎหมายขึ้นมาก <c oughs> าหนดกฎหมายขึ้นมา ความชอบของกฎหมายนี่ก็เกิดจากความชอบของพระวญเจ้าความชอบของมนุษย์เนี่ยก็จะไม่เพิ่มอะไรอันที่จริงแล้วในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาความชอบทางกฎหมายอิสลามที่มาจากพระวิเจ้าเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องน้อมรับอย่างเดียวน้อมรับอย่างเดียวแต่เราเนะี่ยเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้โดยลําพังหมายถึงว่ามีแต่มุสลิมอย่างเดียว มีต่างศาสนิกมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจพอเราจะอธิบายคุตลานเพราะคุตลานนี่เป็นคำวิสําหรับมนุเสชาทั้งหลายพราะอธิบายกุตลานเนี่ยเราก็ต้องอธิบายความชอบที่จะให้มนุษย์เ น, น, น, นี่ยเข้าใจเข้าใจหลักการศาสนาไม่ว่าศาสนาอิสลามหรือกฎหมายอิสลามเนี่เป็นเรื่องประหลาดผมก็จะชอบเปรียบเทียบกับกฎหมาย ข, ของมนุษย์นั่นเองเอ้าก็มนุษย์ร่างแบบนี้ ถ้าถ้าของอัลลอฮ์นี่แปลกก็แสดงว่าของของรนี้ก็แปลกแต่พวกคุณก็ยังยังใช้ได้ในสังคมที่มีประชาชนหรือพลเมืองที่มีความศรัทธาเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการยอมรับกฎหมายเราไมไ่ยอมรับกฎหมายเพราะผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําประเทศเนี่ยเขาเขามีอํานาจเบียดเสียจในการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ กฎหมายอิสลามนี่จะควบคุมชีวิตของเราทั้งในทางเผยและก็ในทางลับไม่ถึงว่าเราอยู่ในบ้านเราก็มีกฎหมายอิสลามบังคับใช้แต่ถามว่าอำนาจของผู้ครองหรือผู้นำสังคมเนี่ยเขาจะเข้าไปบังคับกฎหมายใช้กฎหมายในบ้านเราด้วยเหรอไม่แต่เราใช้ความศรัทธาของเร า, านี่และนี่คือข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากลกฎหมายสากลนี่ คือต้องมีอำนาจบังคับใช้แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่สังเกตมะถ้าเราไปทำอะไรผิดกฎหมายในป่าเงี้ยไม่มีเจ้าหน้าที่ใครจะมาบังคับใช้กฎหมายล่ะถึงเขาเอาสิ่งเสพติดเนี่ยไปไปไปเสพกันไหนไปเสพกันในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่เห็นก็จบมันก็จบแค่นั้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาอุสลิมมันไม่จบ่ย กฎหมายอิสลามนี่มันจะบังคับใช้ชีวิตของเราในทุกมิติในทุกมุมเพราะเรามีความเชื่อในวันปรโลกเรามีความเชื่อในพระอํานาจของเราเรามีความเชื่อในออในการมองเห็นของเราสุภานโนดาลซึ่งหลักสถานนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของความเป็นพลเมืองและเราจะได้ก่อตั้งสังคมมุสลิมที่มีจริยธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจในประเด็นนี้ให้ดีนะครับว่า ถ้าเราต้องการที่จะก่อตั้งรัฐอิสลามหรือมีกฎหมายอิสลามบังคับใช้เนี่ยถ้าหัวใจของเรายังไม่ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในหัวใจของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะให้เกิดรัฐอิสลามหรือกฎหมายอิสลามปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมนักเผยแพร่ อ, อิสลามในประเทศประเทศหนึ่ง ก็คือฮาซันอูดัยบีนซึ่งเป็นผู้นำของอิควานรองจากฮาซลบานฮซลบานถูกสังหารฮซันอูดัยบีก็เลยมาเป็นผู้นำก็ลูกศิษย์ลูกหาและสมาชิกเราก็มาบนว่าเนี่ยเราช่วยนัสเซอร์เพาะัของอิควานช่วยประธานรบดีนัสเซอร์ในการที่จะปฏิวัติกษัตริย์ที่อียิปต์แล้วก็ประสบความสาเร็จในการบริหารบ้านเมือง แต่สุดท้ายเนี่ยนัเซอร์นี่ก็หักหลังอีกควานแล้วก็จับเข้าคุกหมดก็สมาชิกอิคานี่ก็ไปบ่นกับผู้นําบอกว่าเนี่ยเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้ตั้งรัฐอิสลามเราไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามเร า, เราเราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไม่ประสบความสําเร็จเขาก็เลยพูดไว้ประโยคหนึ่งกลายเป็นกลายเป็นวลีของคนที่ทํางานศาสนา ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องมีรัฐอิสลามแต่ในขณะเดียวกันเรายังไว่ได้ตรวจสอบหัวใจของเราว่าเราประสบความสําเร็จในการบริหารชีวิตภายในของเราเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายของอิสลามล่าเขาก็เลยบอกว่าอกคีมูดโวลลตอิสลามฟิกลูบิคุมตุกุมเลคุมฟเอาตานิคุมให้ก่ตั้งรัฐอิสลามในหัวใจของพวกเจ้าเสียก่อน และรัฐอิสลามจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของพวกท่านแต่บอกว่าเราต้องการมีรัฐอิสลามอาจจะได้สร้างมสัสยิดจะได้คนละหมาดมสัสยิดแต่เรายังไม่ตื่นละหมาดสุภีตรงเวลาเรายังไม่สามารถเลิกบุหรี่ยังไม่สามารถเลิกเหล้าก็ของฮะรามแบบนี้เนี่ยรัฐอิสลามจะมาต่อต้านและตัวเราเองยังเลิกไม่ได้แล้วเรามุ่งที่จะม า, มาก่อตั้งรัฐอิสลามได้ไงทั้งทั้ง น, นี้ตัวเราเองเนี่ยคนเดียวลําพังคนเดียวเนี่ย เรายังไม่ประสบความสาเร็จเรื่องเรื่องเรื่องขัดเกลาจิตใจของของของเราเองนี่มันก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทำงานเพื่ออิสลามการที่เราดำรงซึ่งการละหมาด ถ, ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงซึ่งรัฐอิสลามการที่เรามีมารยาทจริยวัตรที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงซึ่งกฎหมายอิสลามในสังคมการที่เราค้าขายอย่างสุจริตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงเศรษฐศาสตร์อิสลามในเมื่อชีวิตของเราภายใต้อำนาจการบริหารปกครองของเราสามารถทำได้เราก็ต้องทําไปกนแต่ถ้าเราสามารถทำได้แต่ไม่ทําเราจะไปหวังอะไรถ้าเราได้มีอานาจแ ล, แล้วเราจะทำไหมล่ะ เราเราจะไม่ทําก็ได้ย้อนมาอายุที่สิบเก้าที่บอกผมผมก็ผมพยายามที่จะเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากลเนี่ยให้เราได้เข้าใจเข้าใจเหตุผลเหตุผลของบทบัญญัติที่นักนิติศาสตร์เขาจะเรียกันอัลฮิกมะมินัดตะชียะฮิกมะเข้าใจเหตุผลมินัตตะชียะจากการบัญญัติ ให้มาจากการบัญญตัติกฎหมายน้งกฎหมายนี่เนี่ยมีอะไรนี่เป็นวิชาเลยนะเขเรียนกันคณะนิติศาสตร์ในระดับบินญาโทบิินีาเอกเพราะมันเป็นส่วนมันเป็นเครื่องมือสำคัญของการวินิจฉัยหลักการวินิจฉัยคำชีข้ขาดต่างต่างต้องต้องรู้เหตุผลเหตุผลของของหลักการส่วนหนึ่งที่ที่เราบอกว่ายกยอดมามาพูดคุยต่อเกี่ยวกับเรื่อง กี่ยอายะที่ส9้าที่เนื้อหาสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่องดีเซียก็คือภาษีที่จะต้องบังคับใช้กับต่างศาสนาในอายะนี้เนี่ยพูดถึงการที่ลุลละีนอะไอยู่มิโนนบิลไล์โวลับในยุมอีล่าชีพวกท่านจงตั้งศูนย์ดาผู้ท่ไม่สัตตัต่อัลลอฮ์ละตัวันปรโลกโล่ายุฮรรโมนมาหรรมาอัลลอฮฺวะรัสูล لَوْ خَوْتَ م ا ن ْ ع د ْ و َ ن ِ سِنْتِ اللَّهُ لَرَسُولٍ ه َ ا م و ع ِ وَلَا دِينُهُ د ِ ي ن الْحَقِ لَمَيْتِ بَطِبَاءٍ س َ ن َ أ َ ه َ ن َُّ م َْ م ً ا س َ ج َّ د ُ ا لِلَّهِ م ي ن ْ لَهُمْ أ ْ ر ُّْ ت َ ي ا أ َ ن ْ ب ِ ي َ ا ء ِ و َ ا ر ْ س َ ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ وَالْمُحْسِنِينَ و َ ا ْ م ُ ح ْ س ِ ن ِ ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ح ْ س ِ ن َ وَالْمُحْس หรือต่างศาสนิาทั้งหมดเลยอายกตัวอย่างสมัยท่านนบีสุลต่านขอะอัสลามอํานาจของรัฐอิสลามนี่ได้ถึงรัฐเขาเรียกกันตําบลบาฮารนบาฮารีนในปัจจุบันเนี่ยเกาะเล็กๆเนี่ยอยู่ใกล้ประเทศกาตาร์นะเล็กๆแต่ตอนก่อนนู้นนะบาฮารีนนี่นะอํานาจของรัฐบาฮารีนเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ย ในข้าบสมุทรอาหรับนี้ในประเทศซาอุดิอาระเ บ, บียถือว่าเป็นรัฐที่กว้างขวา ง, วางน่าจะครอบคลุมไปถึงประเทศกาตาด้วยเพราะตะกอนโน่นนบาเรนเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดบาเรนเนี่ยเนื่องจากว่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ชิดกับอิรานตะกอนนันไม่มีอรนนะิรันอยู่ใกล้ชิดกับเปอร์เซียฉนั้นคน คนในรัฐหรือในตำบลบาฮเรนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกบูชาไฟหรือมายูสบูชาไฟอันน่าได้ถึงบาฮเรนมีคนมาถามท่านนบีสุลต่าละวะอัลเลาะห์ละซัลลัมทำยังไงเกี่ยวกับมายูสเพราะมายูสไม่ใช่อรุณกิตาบนี่ม่ใช่เขาไม่ใช่ยะฮูดแล้วก็ไม่ใช่นาซาระยะฮูดและนาซาระนี่อ่ะเข้าใจละใน อายานีบอกซะจริงๆให้เก็บยิญญาอัลมาจูสแหละในมันติเขาพูดว่าอับดุลาะห์ท่านนบีถูกถามให้ทำยังไงกับเกี่ยวกับอัลมาจูสท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมก็เลยกล่าวว่าสุนนูบิหิมสุนนะเอหลุกิตับให้ปฏิบัติกับเขากับมาจูสเนี่ยเหมือนที่ปฏิบัติกับอลลุลกิตาบนี่ถือว่าเป็นบทบัญญัต อันเป็นวานาของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมไม่ใช่คุรอ่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใานืคุรอ่านนะแต่เป็นฮะดีสที่มาเสริมฮุกุมฮุกุมเสริมหลักการที่คุรอ่านไม่ได้ระบุซึ่งทั้งสี่มัจฮับนี่อวลาอัลลุซุนนะว่าจัมภะทั้งหมดนี้บอกว่าสุนนานี่อัลลอฮุซุพหันาะว่าจะให้สุนนะให้ท่านนบีให้สถานะคาพูดของท่านนบีเนี่ยเหมือนสถานะอัลกุรอ่าน อพราะฉะนั้นท่านนบีจะบัญญัติจะเสริมอะไรนี้กถือว่าเหมือนเหมือนหลักการเหมือนหลักการศาสนาอ่าอย่างนี้ก็เราได้ข้อสรุปเรือกุรอานจะเก็บดีซีจากอัลกิดาบยอหูและนบสอโรด้วยสุนนะของท่านนบีเนี่ยจะเก็บดีซียจากมายุสมีสามลวแล้วในโลกนี้เนี่ยมีแค่สมศาสนานี้อื่นจากอิสลามเหรอยอะแต่ก่อนท่นมีพุทธไหมก็มี ส่วนอิสมีพุทธมีแล้วสิมีแล้วพุทธก่อนอิสลามมีพุทธพามีมะมีฮินดูล่ะมีเห็นพามนี่มากแก่ที่สุดจะเก่าแก่ที่สุดฮินดูก่อนพุทธหรือเปล่าผมผมผมไม่ทราบฮินดูก่อนพุทธมะน่าจะก่อนเนอะฮินดูพุทธก่อนอิสลามแน่นอนแสดงว่ามีอินเดียมีจีนล่ะจีนศาสนาเพียบเลยที่จริงเนี่ย อินเดียนี่คร ไ, ไม่ไมด้มีแค่ฮินดูพุทธพราหมยังอินเดียเดียเก็บอกว่าศาสนาละที่นี่เป็นร้อยเป็นร้อยและอิสลามได้ปกครองอินเดียมันกได้ปกครองอินเดียพื้นที่อื่นๆด้วย <c oughs> อย่างเช่นพอเขาไปวิชิตแอฟริกาตอนเหนือเริ่มตั้งแต่อีบอีบนี่ส่วนมากเป็นคริสตแต่ไปนู่นนู่นนะไปลิบิ亚อัลจีเรียโมโรูกูตะกอนนู่นนะ่ะนะพวกนู่นน่ะมีพวก เผ่าพันุ์เผ่าพันอัลบร์รบรซึ่งเป็นเป็นเชื้อชาติเก่าแก่ของแอฟริกาตอนเหนือบางทัศนะของนักประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่าเดิมเนี่ยพวกนี้คือเผ่าพันุ์อาหรับที่อพยพมาจากคาบสมุทรอาหรับแต่ภาษาเขาเพี้ยนไปและบางทัศนะบอกว่าไม่ใช่ทั้งภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรม การีตของเขานี่แตกต่างจากอาหรับอย่างสิ้นเชิงเขาก็ไม่มองว่าเขาเป็นอาหรับเขากเาเรียกกันบร์บร์เขามีภาษาของเขานะภาษาขเขาเนี่ยเรีกอมาซ ร, ร, รียอะมาซรียทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ลิเบียอลจีเรียคือเจษะเอลกโมอรโกเนี่ยก็ยังพูดดีเจอกนเป็นคนอาหรับ พ, พูดอาหรับป๋อเลยนะแต่วลา้เขาไปอยู่ด้วยกันเนผะ่าบอร์บอร์เนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะ้าพูด พูดคนละภาษากับอา랍เลยภาษามาเซิกีอต่ก่อนนู้นก่อนนี้จะอิสลามจะเข้าไปเนยก็มีมีศาสนาและที่ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอุลามาก็เลยต้องวินิจฉัยว่าเออแล้วศาสนิกอื่นจะเป็นยังไงจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันศาสนาอุลามาส่วนมากบอกว่ายิซียนี่นะเก็บทุกศาสนาอื่นจากอิสลามทุกศาสนิกอื่นจากอิสลามเก็บดิเซีได้ ถ้าเขายอมจ่าอยอิเซนี่ขจบเขาถือว่าเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองของรัฐอิสลามต้องรับการคุ้มครองการดูแลอย่างดีบางท่านเสนอบอกว่าให้เก็บเฉพาะยิวลดและนอซาร์ที่มีระบุในกุรานเดียวอีกทัศนเนหนึ่งบอกว่าที่มีระบุในสุนนะด้วยก็คือมีแอมมายูสด้วยเท่านั้นเอาแล้วก็คนอื่นละ่ะคนอื่นนี่ไม่ไม่รับถ้าถ้าเขาอยากจะอยู่เป็นพลเมืองในรัฐอิสลามเนี่ย ก็ต้องก็ต้องยอมรับในในใ น, ในหลัการศาสนาหรือไม่อย่างนั้นก็มองเหมือนอาหรับที่อยู่ในค่าวสมุิอาหรับที่ท่านนาบีให้โอกาสสี่เดือนให้รับอิสลามถ้าไม่รับอิสลามนี่นะก็ต้องอบยพไปอยู่ที่อื่นซะอันี้เป็นทัศน์ส่วนน้อยนะทัศนะส่วนมากนี่ก็ถือว่าให้เก็บจซียาให้เกิบจุบจียาจากต่างศาสนิกนะัน ในการในการเก็บดิซียนี่เป้าหมายของอิสลามเป้าหมายอิสลาม เ, เหตุผลของอิสลามในการเก็บดีซียนี่ผมบอกในคราวที่แล้วบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นการสแสดงถึงอํานาจของรัฐอํานาจของรัฐที่ต้องเหนือเหนือทุกคนแม้กระทั่งมุสลิมมุสลิมเขาก็ต้องจ่ายส่วนที่ต้องจ่ายของเขานี้ก็คือปะกาศ ถ้าถึงขนาดที่ท่านนบีหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีอาหรับที่เพิ่งรับอิสลามพอเห็นท่านนบีเสียชีวิตเขาบอกว่าเอากฎสกาดนี่เราจ่ายให้ท่านนบีไม่ได้จ่ายให้สาวกของท่านแค่นั้นเราจะไม่จ่ายสกาดคือเขาไปเข้าใจาว่านบีนี่เก็บสวยให้ตัวเองเอ้นบีเก็บมาเก็บ ข้าหัวให้เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองท่านเอาบกตรละซาร์มาเนีบ่บอกว่าไม่ได้อันนี้มันเป็นมันเป็นสิทธิส่วนรวมจึงประกาศสงครามกับคนที่งดงดออกอากาศให้ ไ, ไหม่ยอมออกอากาศในเร่กฎหมายนี่ <c oughs> ในเรื่องกฎหมายสากลน่ะนะนี่เขาเรียกว่าอรารยขัดขืนอรารยขัดขืนไม่ไม่จ่ใจสากาดไม่ความร่วมมือกับรัฐ คำว่าอารยะขัดขืนเนี่ยให้แตกต่างจากการก่อการร้ายก็คืออารยะขัดขืนนี่ก็คื อ, อ, ไ, นนคอไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงทาอะไรอยูอย่ใช้ไปถึงเวลาไปจ่ายภาษีแล้วไม่ไปไหนทั้งนั้นนอนอยู่บ้านนี่เลยไปไปประจำงานรับเงินเดือนไม่ไปทั้งนั้นไม่ทําอะไรทั้งสิ้นอารยะขัดขืน ตรงนี้ห้ามชุมนุมตรงนี้เนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไปไหนดังนั้นนะที่อาตมาคันดีเขาทำ น, นะ ก, ก็คือห้ามไ ป, ไปแล้วก็อยู่เงี้ยไม่ามไปไหนเขามาไล่ก็ไม่ไล่ไม่ไปไหนอรารยะขัดขืนพอเขาเอากระสุนมายิงเอาไม้มาตีไม่ตอบโต้จึงถูกเรียกว่าอรารยะอรารยะขัดขืนที่จริงเนี่ยคศัพท์นี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ ที่นักกฎหมายนักกฎหมายที่เขาร่างก็คือคนที่ต้องการให้คนสยบกับอำนาจของรัฐนักกฎหมายที่เขาร่างกฎหมายของรัฐนี่นะเขาเป็นคนร่างคำนี้อะไรขัดขืน อ, อะไรขัดขืนนี่คืออย่าใช้ความรุนแรงกับรัฐถ้าไม่ใช้ความรุนแรงนี่นะเออเองยังยังน่ารักอยู่ก็ยกย่องเลยนะอารยะ แต่ไดที่นีนึงขัดขืนนี่มันคำด่าก็หมายถึงว่าไม่เชื่อฟังไงแต่ แ, ตแบบอะไระถ้าถ้าหากว่ามาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเงี้ยชักปืนชักมีดก้อนหินที่ปปเลสไทน์ก้อนหินน่นะได้ใช้ยาแล้วเป็นอะไรก็กัดลาย ท, ทันทีเลยแต่ถ้ามาอะไรกัรรัฐนี่ด้วยความรุนแรงนะ กองกาไร้คนที่ไม่ใจภาษีนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายถึงแม้ว่าเขาให้คํายกย่องว่าว่ามีอารยะมีอารยธรรมมันแต่ถือว่าผิดกฎหมายคนที่ไม่ไม่ใจภาษีาบังคับกฎหมายใช้ได้ไหมโอ้มีติดคุกนะไม่ไม่ไม่ใจภาษีนี่ติดคุกก็มีนะออชุมนุมแล้วก็ถูกฆ่าไม่ชุมนุม่ม เ, เดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายติดคุกเหมือนกันนะค่าปรับก็มีนะ แสดงว่าอะไรคัดขืนเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่ารัฐเนี่ยจะปล่อยให้เราได้ได้ได้คัด ข, นขืนตามอัธยาศัยมีเชะนั้นแล้วอำนาจของรัฐเนี่ยก็จะไม่มีบังคับใช้อย่างแน่นอนฉะนั้นเหตุผลสำคัญที่จะมีบังคับเก็บภา ษ, ษีจากต่างศาสนกหรือเก็บ z a กา t จากมุสลิมที่บอกว่าถึงขั้นาที่ สฮามาต้องไปปราบปรามคนที่ไม่ยอมออกปะกาศทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้ปฏิเสธอิสลามอย่างสิ้นเชิงนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วราสูลไม่เอาแล้วไม่เขาบอกว่าปะกาศอย่างเดียวแต่สฮามาถือว่าการปฏิเสธหลักการส่วนหนึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธอิสลามทั้งพวงอันนี้เป็นเป็นหลักการสําคัญที่เราต้องเข้าใจอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อิสลามให้ศาสนานี่ อ, อยู่กับการเลือกสิ่งที่เราชอบก็เลือกเอาไปเชื่อเอาไปปฏิบัติซะและอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรที่ไม่อะไรที่ติดใจก็ปฏิเสธซะไม่ต้องเชื่อซะไม่ใช่มันเป็นไม่ ไ, มได้สําหรับศาสนาที่มาจากพระพุทธเจ้านี่มากก้อนก้อนเดียว ซึ่งหมายรวมว่าศาสนาที่เป็นศาสนาจริงแต่อะไรที่มันเป็นความเข้าใจของมนุษย์ในศาสนาไม่ได้บังคับใครจะบอกว่าโอ้ต้องเชื่อแบบนี้ไม่เชืบบ่อไม่ตกศาสนา ม, ม, ม, มันไม่มันต้องมีตัวบทหลักฐานแล้วต้องมีตัวบทหลักฐานยืนยันในเนื้อหาด้วยนะไม่ใช่ว่าว่าเราไปตีความแล้วก็เอาคําตีความของเราเนี่ยมายัดเยียดว่านี่คือศาสนาอันนี้ก็ไม่ใช่ อันนี ama, र, ้ก็ไม่ใช่เช่นอุตสิทธิ์าดของอุลามะเอ่อยกตัวอย่างสมมติว่อุลามะส่วนมากเนี่ยเขาอิสติ์าดเขามีทัศน์ว่าไว้คราเนี่ยเป็นเรื่องวาจิบแต่มีคนบอกว่าผมไม่เชื่อเพราะเรื่องาตกศาสนาไหมไม่ตกศาสนาไม่ตกศาสนาก็ถือว่าเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยปฏิเสธทัศน์อันนี้ตกศาสนาไม่ตกศาสนาเพราะทัศน์ว่า ไว้คราวนี้ว ajib หรือไม่ว ajib เนี่ยอันนี้ไม่มีหลักฐานชี้ขาดในคุรอรานและฮะดิษที่เราหมายรวมอิสลามนีศา ส, สนาเนี่ยคือหลักการชี้ขาดอันนี้เนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้คือจะเลือกปฏิบัติเลือกเชื่อนี่ไม่ได้ถ้าอะไรที่ศา ส, สนาชี้ขาดแล้วมีตัวบันดาชี้ขาดแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อแล้วปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดอ่าเช่นบรรดาอบลลอฮ์สูล ที่ถูกระบุในอัลกุรอานเป็นรายชื่อเลยนะหรือไม่ถูกระบุเป็นรายชื่อถูกระบุเป็นจานวนเช่นอะดีของท่านนบีที่บมาอับดุะดีาฮีอบูท่านนบีลลัลลอฮุะลัยสลมว่าบรดานบีเนี่ยมีกี่มีกี่ท่านท่าน้กว่าจัมบุนกฟิรยยะมะอบูดท่าไรละ ประมาณเท่าไร่ล่ะนบีบอกว่าแสนกว่าแสนกว่าที่ท่านนบีบอกแสนกว่านี่ถ้าเราบอกโอ้ยเยอะไปผมเชื่อแค่ห้าหมื่นพออันนี้ปฏิเสธนะปฏิเสธลักการแล้วเอ้ยเยอะไปไม่จริงหรอกดิสนี้ไม่จริงหรอกอันนี้ป <laughs> ฏิเสธละโอลัมมาก็จะขีดเลากันนั้ว่าหลักการแบบนี้เนี่ย มันถึงขั้นมุรแตดเลยไม่มุรแตดนี่อันนี้ยังมีเคล้ากันนะเพราะมันเป็นฮะดีสแต่ที่เป็นคุรานล่ะนบีที่ระบุชัดเจนชัดเจนต้องชัดเจนนะต้องไม่มีเิล้าระหว่างอุลามานะเพราะบางท่านที่ถูกเอ่ยเรื่องว่าเป็นนบีเนี่ยแล้วอุลามของท่านบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นนบีแท้เช่นเช่นอัลคัตดร ขั้นที่ไปกับท่านนบีมูซานี่สุรษขั้นฟินเนี่ยบอไปเป็นเพื่อนกับท่านนบีมูซาถึงอันบอกกับท่านนบีมูซาความรู้ที่เขาได้มาจะได้ฆ่าเด็กจะได้จะได้เื่อกำแพงจะได้ทำโน่นทำนี่เนี่ยอเมาีอ่าต่เขาไม่ละดุนน้าอิลมาอัลลอฮ์ได้ให้ความรู้จากเรา เราเหมือนความรู้จักอัลลอฮ์อุลามายังด so ีความเนยนี่ความรู้เนี่ยคือว่าอยู่เหมือนนบีทั่วไปหรือเป็นความรู้ทั่วไปที่อัลลอฮ์จะบันดาลจะส่งให้มนุษย์ทั่วไปก็มีทัศนาอุลามาส่วนมากว่าเขาตัวนี้เป็นเป็นนบีแต่อลามท่านว่าใช่ไม่ใช่มันไม่ชัด หลักฐานไม่ชัดว่าเขาเป็นนบีฉะนั้นไม่มีใครปฏิเสธบอกว่าผมไม่เชื่อว่าคนที่ไปกับท่านนบีเนี่ยเป็นนบีไม่ไม่ไม่ถือว่าตกศาสนาซึ่งจํานวนไม่น้อยนะอย่างซูฟีตาลิกัดเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลกาดรเนี่ยเพื่อนท่านนบีมูซาร์ิสอาวุกนบีมูซาริบร่วมกิจกรรมกับเขานี่ไม่ได้เป็นนบีแต่เป็นวาลีเป็นวาลี แล้วเขาอ้างหลักฐานนี้อ้างเรื่องนี้เนี่ว่านี่ไงเป็นหลักฐานว่าอวลีอาจจะมีความรู้มากกว่านบีใช่ปะเพราะอัลกัตุรนี่รู้อะไรที่นบีมูซาไม่รู้นี่ไงวลีรู้ดีกว่านบีซูบีสนมากเขาเชื่อเขาเชื่ออัลกัตุรนี่แล้วเขาเชื่อว่าอัลกัตุรนี่เป็นวลีที่ ไม่เสียชีวิตตั้งแต่สมัยนบีมูซายุงอยู่นะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครตัวตนนม้มีใครรู้แต่แงอยู่มีชีวิตอยู่แล้วเขาบอกว่าซูฟีนี่โคจิชอว่าอัลฮัตร์นิดให้ในชายาชววาอัลฮัตรนฮรนเียกขียวอัลฮัรนเียกเขียวะแล้วว่าทาไมถึงซูฟีเปีเขียว อัลฮัตต์นี่เขียวแต่ไม่ใช่มีแค่เรื่องพักเขียวถูกใกลใช้เอาอัลฮัตตนั่งจั่รวาอัลฮัดตเนี่ยนั่งที่ไหนนี่นะที่นั่นนจ ะ, ะเขียวจะดกเป็นหญ้าเลย mm hmm. ในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องเปน็นต้องดูเฝ้าดูคนที่นั่งที่ไหนเนี่แล้วก็เก้าอี้เป็นเขียวไปแล้วเป็นเป็นหญ้าไปแล้วจะได้รู้ซึ่งเรื่องนี้มัน ไ, ไม่มีตัวบทหลักฐานนะ mm hmm. อันนี้ก็เล่า เราเรื่อยๆให้พี่น้องได้ได้เข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอัลกัตตออย่างนี้ไม่มีีมีความขัดแย้งแล้วก็คำว่าอัลกัตตเนี่ยอัลเนี่ยในคุรอ่านนีงไม่ได้บอกว่าชื่ออัลกัตตนะแล้วแต่มีคนปฏิอัลกัตตไม่มีซึ่งมีอลมาโอเรื่องนี้ประมปราไม่ม응ีหรอกก็ไม่เทว่าตกสาสนาลุกมานอันนี้มีชื่อด้วยลุกมาน لا ل ق ولقد آتينا آتينا لقمان الحكمة رأودي هاي حكمة لقمان ح ك م ا ن ي خ م ر ف تقول م ما ا ء سود م ا ك เห็นว่า لقمان ل ي نبي، ي ع ي ك بديسات في 25 نبي لا يوجد لقمان، لقمان ل ي نبي، ع م ا ء سود مات لم ي ر ا ن ب ي في 25 ل خضر، لم يكن هناك، แต่ย5สบห้าล่ะเฮ้ยใน บ, บีนวัวผมไม่เชื่อหรอกทำไมอ่ะมึงเก่าแก่มากมึงครจะมีสนดได้งไง ไ, ไปด้วคนเดียวนะเลย2ี่สิบสทาใ น, นิสผมผมเชื่อผมเชื่อเป็นมุสลิมได้หมไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ไ ด, ไได้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างอิสลามกับศาสนาอื่นนะคือศาสนาอิสลามนี่คำชี้ขาดเนี่ยมันมาก้อนเดียว เราก็ต้องเอาคําชี้ขาดทั้งหมดเนี่ยมาศรัทธาและ้ะมาปฏิบัติข้อปฏิบัติก็เหมือนกันข้อปฏิบัติที่มันชี้ขาดที่ไม่มีความขัดแย้งเลยอไม่สามารถตีความได้ละหมาดอย่างเงี้ยละหมาดห้ารุกลุ่นหนึ่งในนั้นก็คือละหมาดละหมาดห้าว a ตู u ห้าว aktu ในกุรานไม่มีอามาจากไหน่้าว aktu ในกุราน นี่ที یں, یں, นะ่ผมนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเมกนะผมเคยนั่งเคยโต้เถียงกับคน ب ب ب وا, ที่พูดแบบนี้เนี่ยละมาดกี่ว aktu ท่านสองว aktu พอกุณอ่านนี่พูดถึงพูดถึงซูโบกับอิชาอย่างเดียวแล้วเวลาอื่นนี่เขาไม่ละมาดดูฮร์ดีอัสรีมกริบนี่เขาไม่ละมาดแต่ฮาวคต t u นี่ระบุในสุนนะมุตวาติร เป็นเป็นหลักฐานชี้ขาดจากสุนัขมีสถานะเท่าเทียมกับอัลกุรอานมุตาวาเทรอีไหมายทีงว่ามีกระแสมากมายที่สามารถชี้ขาดเชื่อถือระดับกุรอานเพราะะในเรื่องดิซียนี้จะมีเรื่องชี้ขาดต้องเก็บดิซียจากต่างศาสนิกโดยรวมอันนี้เป็นหลักการอยู่ในกุรอานอันนี้ต้องเชื่อแต่ใครบอกว่าไม่เก็บดิซียเลยไม่มีเลยอันนี้เก็บไม่ได้เรื่องล้าหลัง เก็บดีเซียโบเก็บาษีบเรื right. ่องศสนานี่เลือกเถอะอันนี้ถือปฏิเสธส่วนรายละเอียดของดีเซียจะเก็บจากเยโฮนอโซรออย่างเดียวจะเก็บจากศาสนาอื่นอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ข้อแตกต่างที่เราโต้แย้งกันได้แต่ดีเซียโดยหลักการเนี่ยนี่โต้แย้งไม่ได้ต้องจ่ายภาษีจ่ายในนามอื่นก็ได้เหมือนสมัยอเมริกาตอาที่ผมเล่าให้น้องเผ่าเผาตักริบเนี่ย เป็นซึ่งเป็นเผ่าอาหรับที่นับถือศาสนาคริสพอรินขตอบนี่ยจะเก็บดีเซียเขาไม่เก็บดีซียหรอกทไมอ่ะเราเป็นอาหรับแท้ๆีจะมเก็บดเซียเหมือนพวกโรมันพวกไอ้นี่อ้าวพวกคนเป็นคริสต์คริสต์แต่เราเป็นอาหรับเราต้องมีเกียรติเหมือนมุสลิมนี้เกียรติยังไงอ่ะเรายอมใจสกาศเหมือนผูกคุนนี่แหละ ให้ใจเสกการนี้มากกว่าดิเซียนะเอาง่าจ่ายก็จ่ายแต่ไม่ไม่ให้เรียกว่าเก็บดิเซียพอตะก่อนุเขาก็มองว่าต่างเซนิ่งนี่เกิดเหมือนคนลชนชั้นเลยนะอ๋อให้เราถูกมองว่าเออใจเหมือนผู้คุณนี่แหละมีมีเกียรติเหมือนผู้คุณอมรบอกว่าจ่ายก็จ่ายจะเรียกจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ต้องจ่ายอำนาจรัฐเนี่ยต้องจ่ายต้องมีจ่ายไม่จ่ายไม่ได้มาอันเนี้ย คือขัดแย้งกันได้แม้กระทั่งในปัจจุบันถ้าสมมติว่าต่างซรนี่แต่ ส, สมมุตินะครับว่ามีเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีรัฐอิสลามในโลกใบนี้ไม่มีรัฐอิสลามแล้วนะในโลกใบนี้ใครใครมาบอกว่าที่ซาอุดีเป็นรัฐนี่นะอันนี้ตอนแหละนะ่ะคือตอนแหลจะชัดเลยนะไม่มีรัฐอิสลามแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีรัฐอิสลามแล้วไม่มีดิเซียนแล้วไม่มีไม่มีใครเก็บดิเซียนแล้ว หึ่งขนาดที่อุลลามะบางคนเนี่ยมัเรื่องกิจยะนี่เราไม่ต <OUR> ้องพูดเยอะหมายถึงว่าเวลาอธิบายเวลาพูดเรียงร้องกันแไม่ต้องพูดเยอะทําไมอ่ะมันคือมันเป็นเรื่องพ่วงคือเราพูดถึงเรื่องรัฐอิสลามก่อนการตั้งรัฐอิสลามเรื่องกระบวนการต่างๆค่อยว่ากันเพรมีอะไรจะค่อยว่ากันในเรื่องกิจยะนี่ค่อยว่ากันเหมือนเรื่องมีทาตุไม่มีทาตุมีทาตุได้ไม่มีทาตุบอก้เรื่องนี้ คือจริงเนี i i ่ยมันมีธาตุตอนนี้มันก็ยังมีธาตุอยู่นะแต่เราจะมาบอกว่าอิสลามในอันนี้ยังได้มีธาตุคือไม่ต้องคุยเรื่องนี้เพราะมันไม่มีประโยชน์มันนี้ประโยชน์เลยเราเลิกกันมาเราพูดเรื่องอิจอเยอะเพรมาอธิบายกุตานมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับวาระมันไม่เกี่ยววาระอุคขตามกระแสแต่มันเกี่ยวกับวาระของอายะที่เรากําลังอธิบายอยู่ก็เลยต้องก็เลยต้องพูดเรื่องนี้ อันนี้คือเรื่องที่ยังยังเกี่ยวกับเรื่องจิเซียที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็มาอายะที่30อายะที่30นี้ อ, อจาจอาจจะต่อเนื่องจากอายะ29ที่มีพาดพิงถึงอารุณกิตาบ ที่มีประโยคสีน้ำตาลเนี่ยว่าและดีนูนะดีนั่นักปีและไม่ปฏิบัติตามศาสนาแห่งความสัจจะผมเชื่อว่าสัจจริงมันน่าจะใกล้เคียงกว่าดีนั่นหักสัจจริงความจริงจริงต้องอธิบายประโยคนี่ว่าที่เขาไม่ไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามความสัจจริงเนี่ย จึงวอย่ายังไง่ไม่อดว่าแต่ัจธรรมัจิงยังไง่ะอลก็เลยยกตัวอย่างว่า "قالت اليهود عزير نب ن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قالت لهم الله أن يُفكوا قالت اليهود لشاويودي قلوا عزير عزير هم صاحب رونيرك عزرا عزرا عزير بن بود الله، ل ش ا و ك ر ي س كن صوراني د ا ق ل ا و أ المسيح مسيح م س ا ي ا م ي س ي ا ก็คือพระเยซูนะอัลมาเสียเป็นบุตรของ a ล l a h ดังนั้นเขาลุอกันั่นคือถ้อยคําที่พวกเขากล่าวขึ้นบีอฟฟัวที่หิมด้วยปากของพวกเขาเองมายถึงว่าบีเอฟฟัวด้วยตัวเขาเองเขาเขาไม่ดีเขาไม่ได้มอบให้คนแถลงความเชื่อของเขาพูดด้วยตัวเองสารภาพด้วยตัวเองยุด้ฮิอูน่ะซึ่ง คล้ายกับถ้อยคำคำคำพูดที่แสดงความเชื่อนี้ว่าอุซัยรุนิบุลลอห์แล้วก็อัลมาเซียเป็นบุตรของอัลลอฮ์มันคล้ายคล้ายถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ได้ปฏิเสธการสัทธามาก่อนคนที่นั่าก่อนก่อนก่อนที่พระเยซู มาที่ศนาโรมันและกรีซเนี่ยเขาก็เชื่อว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าไอ้นี่ก็เป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้ก็ไปแต่งงานกับพระเจ้าองค์นู้นองค์นู้นก็ได้ลูกคนนี้แล้วก็ทีหลังก็ไปมีเมียอีกคนนึงเมียนั่นก็ไปได้ลูกลูกนี้ก็มาทะเลาะก็มาแยกงอ้ยเรื่องนิทานของของโรมันและสารพัด แล้วก็ไอ้ น, นี้พระเจ้านี้เนี่ยเป็นพระเจ้าเต็มเต็มตัวแต่พระเจ้านี้เนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์ก็เลยมีลูกที่เป็นกึ่งมนุษย์กึง่งกึ่งเทวรูปกึงก่งพระเจ้านี่เป็นเรื่องก่อนศาสนาคิดและก่อนศาสนาอยู่ไงอัลลอฮ์บอกว่าเอาพอมาแล้วนี่เอาอันนี้เป็นลูกไอ้ น, นี่มปนลูกก็มันก็เหมือนกันแหละ เหมือนความเชื่อดั้งเดิมที่เขาเคยเป็นแบบนั้นแล้วก็ออกมามานับถือศาสนาอยู่แลศาสนาขึ้นแต่ย้อนกลับมาเชื่อหรือมาพูดเหมือนเขากอเจ้าละหุบุญล่อขอล่อทรงลานัดพวกเขาด้วยเถิดก ah um ็เจ้าละคำว่ากอ ah um ็เจ้าละนี่หมายที่ว่าขอให้เขาพินาศอันนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้ใกล้ใกล้เคียงสุดคําว ah um ่าเพราะคว่ากอเจ้าละ พอเขาอธิบายเป็นภาษาอาหรับเนี่ยก็แต่ละคอยพินาดพินาดนี่ก็หมายถึงว่แช่งใช่ปะเขาก็เลยมาอธิบายด้วยภาษาอาหรับก็แต่ละภาษาอาหรับว่าก็แต่ละบีมานะไอ้ละน่ะฮุมุลลอห์ขอละหลานัทเขาก็เลยมาอธิบายเป็นภาษาไทยเนี่ยขอล l l a h หลานัทพวกเขาด้วยเถิดเอ้ามาแปลจากจากไทยเป็นเป็นอาหรับซะเลยเพราผมไม่เห็นด้วย คือถจะแปลอย่่จะแปลจากอาหรับไปไทยก็เป็นไทยไปเลยยังไงจากอาหรับเป็นอาหรับเอาแล้วแล้วจะวนเอาแล้วสมมติถ้าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะลานัทมันคืออะไรสมมติถคนเพิ่งเออเพิ่งศึกษากุษานไม่ต้องแบบว่าเป็นพี่น้องที่รับอิสลามใหม่นะหรือต่างศาสนาที่คนสนใจอิสลามไม่บางทีมุสลิมดังดมด้งเดิมนี่แหละดั้งเดิมนี่แหละแต่ไม่เคยเรียนภาษาอาหรับเอามาอา่านครั้งแรกลานัดอะไรว่าลานัทแปลว่าอะไร ตกลงเป็นหนังสือแปลหรือเป็นหนังสือเป็นหนังสือทับศัพท์ซึ่งหลานัดนนี้ก็หมายถึงว่าขอให้พิณขอให้พิ่นัทแหละเป็นการแช่งะนะให้คนเข้าใจคือถ้าเราจะจะแปลเนี่ยก็แต่ละฮุมุลลอาะอัลอลอฮ์ทรงแช่งพวกเขาทรงแช่งพวกเขาหรืออัลลอฮ์ทรงให้เขาพินาทอะไรแบบเนี้พิ่นัทเนี่ยจะอะพี่นจะจับท่วงอัลลอฮ์ จับช่วงพระเจ้าอ้างว่าพระเจ้ามีบุตรอ้างว่าพระเจ้ามีเมียอ้างว่ า, งาพระเจ้านี่มีความบกพร่องเหมือนเหมือนมนุษย์ทำไมล่ะการมีคู่ครองหรือบุตรแสดงถึงความอ่อนแอของมนุษย์ทําไมอ่ะเพราะเรามองคนที่อันนี้ต้องขอไปคนที่ยังไม่มีภรรยา เรามองถึงคนที่ไม่มีคู่ครองนี่ว่าเป็นคนที่ไม่เท่ากับคนที่มีภรรยาคนที่มีภรรยาสมบูรณ์กว่าใช่ไหมแสดงว่าคนที่ไม่มีภรรยาก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์อันเป็นที่ไปที่มาของฮาดิสของนบีสุลต่านนะสุลว่านละม้วนคนที่จะมีภรรยามีคู่ครองแล้วเนี่ยเท่ากับได้ครอบครองศาสนาอย่างสมบูรณ์แล้ว หมายถึงว่าคนที่ยังไม่มีภรรยาก็ศาสนายังไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ไม่ได้หมายรวมว่าคนที่ไม่มีภรรยานี่ไม่ได้เป็นมุสลิมสมบูรณ์นะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความดีเหมือนคนที่ทมีอาจจะหมายะไรคนที่มีคู่ครองแล้วมีลูกแล้วลูกเขาก็จะเป็นถ้าเอาล้ให้เป็นคนดีเขาก็ทําความดีความดีของเขานี่ก็จะได้แก่ บิดามารดาของเขาจนถึงปู่ย่าตายายของเขาอ่ายิ่งเรามีลูกหลานเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งยิ่งได้ผ ล, ลบุญที่ลูกหลานได้สะสมซึ่งแน่นอนก็เท่ากับเรามองว่าคนมีตังล้านหนึ่งกับคนไม่มีตังล้านหนึ่งเราถามว่าใครรวยกว่าใครคนที่มีล้านอ่ะคนที่มีสตังอ่ะ คนที่มีสตังค์นี่เขามีทรัพย์ที่จะไปลงทุนแล้วก็ขยายเงินได้แต่คนที่ไม่มีทุนเนี่ยเขาจะไปทําธุรกิจไปค้าขายได้ไงอันนี้มุมมองง่ายๆนะครับในการเปรียบเทียบแทนเราเนี่ยเราเนี่ยต้องมีต้องการให้มีความมีภรรยามีคู่ครองมีลูกเพราะถากว่าเพราะถากว่าเราเนี่ยไม่มีนี่คือเราอ่อนแอแสดงว่าเราต้องมี แสดงว่าแสดงว่าเราต้องการถ้าเราต้องการแสดงว่าเรานี่ไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเราเราไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเราถ้าเราบอกว่าอาัลลอฮ์นี่ต้องการมีภรรยาต้องการมีลูกอาะแสดงว่าอาัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่ใช่ทรงเอกะเอกะนี่ก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์สมบูรณ์ด้วยตัวพระองค์ท่านเอง ue, ไม่ต้องการใครเลย อลลอฮ์ไม่ต้องการให้ใครนี่มาเสริมบารมีมาเสริมความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์มีบุตรอัลลอฮ์มีเมียอันนี้เป็นการจับจ้วงในในในความเชื่อของมุสลิมนะในความเชื่อของอิสลามนี่เป็นการจับจ้วงพระผู้เป็นเจา้าและนี่แหละที่ทําให้อัลลอฮฺสุวาน์นาวดาลได้ประนามกกตะลลลุมได้ประนามความเชื่อ คนที่อ้างว่าอัลลอฮ์นี่มีบุตรที่จริงความเชื่อของคริสต์ว่าอัลลอฮ์มีบุตรอพระบุตรมันถูกพัฒนานะมันถูกพัฒนาตอนแรกนี่ <c oughs> เชื่อว่าพระเยซูนี่เป็นบุตรอย่างเดียวพอถูกตั้งคำถามว่าอาแล้วก็มีบุตรแล้วใครเป็นใครเป็นแม่ล่ะใครเป็นแม่ล่ะ เป็นแม่นี่ก็คือก็คือมารียมอา่าแล้เป็นเป็นเป็นแม่ไง อ, อ๋อไม่ใช่เป็นแม่แท้ๆนะเพราะพระบุตรพระบุตรนี่มีพระบิดาเออเขาเไม่เรียกไม่เรียกแมรีว่าเป็นพระมารดานะไม่เรียกว่าเป็นพระมารดาเพราะความเชื่อของของคริสต์เหมือนเหมุสลิมนะว่าว่าท่านนาบี อ, อีซานี่ยไม่มีพ่อ ไม่มี os, ia, ไม่ไม่มีพ่อที่เป็นที่เป็นที่เป็นมนุษย์นะะที่เป็นมนุษย์แม่ก็ไม่มีไม่มีแม่ที่เป็นเป็นมนุษย์ที่จริงนอกจากนอกจากท่านหญิงมาริยมที่ท้องที่ตั้งขันท่านคริสต์จึงต้องให้คําตอบว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมารดาเหมือนมนุษย์ท תח, ั่วไปไม่ได้เป็นมารดาเหมือนมนุษย์ทั่วไป พระบุตรนี่มาจากพระบิดาล้ว น, วนเอาแล้วก็มาริยามุร์มารีนี่ก็เป็นสอวิบานีก็เป็นภรรยาแต่ไม่ได้เป็นมันดาเหมือนมันดาทั่วไปเพราะจะเป็นมันดาเหมือนมันดาทั่วไปนี่ก็จะต้องมีความเป็นความเป็นพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้นี่ก็มีความขัดแย้งในบรรดาลทัทธิของคริสคริสส่วนมากนี่ไม่เห็นว่า มาริยมเนี่เป็นพระเจ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในองค์องค์ความเชื่อความเชื่อของคริสตคริสเนี่เชื่อในในพระเจ้าสามองค์พระบิดาอืพระบิดาแล้วก็พระบุตรและอะไรพระจิตพระจิตนี่ก็คืออรุณคุณคุณสุสุสิบรีและะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มารีหรือไม่ใช่มารียมอ่าแล้วก็มาริยมไม่ได้มมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่พระเจ้า มาริ亚มีความเป็นมนุษย์ล้วนๆเป็นความเป็นมนุษย์ล้วนๆพระบิดาความเป็นพระเจา้าล้วนๆแ ล, ละเปเยซูละ่ะนั่นนะ่ะคีอรับกันเลยเนี่ยที่มีละที่แต่ละละที่ในท่วโลกเนี่ยไหนจะออโตด็อกส์ไหนจะโปรโตสเตนไหนจะคทอลิกนเนี่ยบางละที่ก็บอกว่าเปเยซูนี่อึง่ง ตึงมนุษย์ตึงพระเจ้าบางบางละที่ว่าก็ไม่ใช่พระเจ้าล้วนเหมือนกันลวน้ลวนเลยแม้กระทั่งในออโทด็อกส์ของ <c oughs> ของตะวันออกเนี่ย่างออโทด็อกส์ของประเทศอียิปต์ออโทด็อกส์ของอิสราเอลออโทด็อกส์ของกรีซออโทด็อกส์ของรัสเซียและเดี๋ยวนี้มาใหม่แล้วนะออโทด็อกส์ของยูเครนเขาแยกโบสกันแล้วนะเขาแยกและที่กันแล้วพอทำพอทะเลาะกันก็แยก อยกสุราด้วยศา ส, สนานี้มันตามการเมืองไงถ้าศาสนาเดียวนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่นี่เป็นบทเรียนเหมือนกันอะไรที่มันะมเกิดขึ้นศาสนาไม่เกี่ยวกับการเมืองแยกรัฐแยกอาณาจักรอะไรแต่ศาสนานี้มาจากพระเจ้าจะเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับความเชื่อของสุลต่านหรืขอข อ, ของของวัวครองหรือไม่เกี่ยวความเชื่อนี่ของพระเจ้าทุกคนในะอยู่แผ่นดินไห น, นก็ต้องเชื่อเตาความเชื่อของพระเจ้า นี่มีประเด็นที่คนที่เห็นต่างจากอิสลามเนี่ยเขาจะเขาจะแยง่งใครบอกว่ายฮุดบอกว่าอูซัยร์อิบนุลมาอูซัยร์เป็นบุตรของอัลลอฮ์มีมีหรความเชื่อแบบนี้ไปดูเลยในตะมา ย, ยูไม่มียูที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์มีบุตรเอามาจากไหนนี่แสดง ว, ว่ากุรอ่านนี่แสดง ว, ว่ากูรอ่านนี่อุปลโลกเรืร่องประเด็งไม่เป็นจริง ไม่ใช่คื อ, อ, อคือต้องเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยอัลลอฮุซุ่มานาอัลลอฮ์หรื อ, รอุรอานเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องตามความเข้าใจตามความเข้าใจของของผู้คนนะแต่จะเล่าเรื่องตามความเชื่อที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราเชื่อพอไปคนในตํารานีอ่ะมีไหม อัทรานีอัทรานีเป็นปราะยิวคนหนึ่งอยู่ในยุคที่ขเขาเยุคบาบิลูนยุคที่กษัตริย์ของบาบิลูนเนี่ยไปตีเมืองเยรูซาลิมแล้วก็เอาอยูทั้งหมดเนี่ยเป็นเฉลอยอยู่ทั้งหมดที่เอาเป็นเฉลยแล้วก็ไปในประเทศเอาส่วนมากเนี่ยไปอยู่ที่เปอร์เซีย แล้วก็ที่เหลือนี่ก็ในประเทศไปประเทศอื่นและเอาคำพีของเขาทั้งหมดเนี่ยเตาร้อนเนี่ยเอามาเผาหมดเอามาเผาหมดปราดบางคนเนี่รู้ว่ากษัตริย์บาบิลูนนี่จะทำแบบนี้เขาก็เลยรีบเอาเตาร้อนนี่บางเล่มเนี่ยไปซ่อนบนยอดเขาไม่ให้ทหารได้ถึง แล้วก็ปราชพวกนี้ก็เสียชีวิตยูในยุคนั้นน่ะเขาบอกว่าเกือบสามร้อยปีเนี่ยไม่มีตตวร์นีแม้แต่เล่มเดียวทำให้อัลรานรอูไซร์เนี่ยร้องไห้รห้องไห้จนตาบอดร้องไห้เสียใจเสียใจว่าแ ย, ย, ย่แล้วยูไม่มีคำพีของเขาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วอุลมามัน์บอกว่า อาจรัคนนี้นก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของเขาในในสุรษะอัลบากราที่ให้เสียชีวิตไปร้อยปีเนี่ยแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตในสุรษะอัลบากราเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ขยันทำไมบัดนะแล้วก็ขอดูอัตต่อัลลอฮ์เขาเขาอยากจะ อยากจะรู้ว่าพราะองค์นี่จะฟื้นฟูฟื้นฟูชีวิตยังไงเราบอกว่าอัลลอฮ์จะให้การฟื้นฟูชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอภินิหารอภินิหารให้ชาวยิวทั้งหมดเลยเนี่ยได้รู้ว่าอัลลอ์สุหานะว่าอะมีความสามารถที่จะฟื้นฟูประชาชาติเหมือนที่อัลลอฮ์ฟื้นฟูชีวิตมนุษย์คนหนึ่งแล้วให้เขาเนี่ยนอนไปร้อยปีนอนจนกระทั่ง กลุ่มชนนั้นนะ่ะยิวนั่นนะ่ะอยู่กันร้อยปีลูกหลานเหลนเขาเนี่ยเป็นคนแก่แล้วอ่ะนะเราฟื้นฟูฟื้น ฟ, น ฟ, นฟนูให้เขามีชีวิตซึ่งผ่านไปแล้วนี่ร้อยปีเนี่ยผมผ่านไปร้อยปีเลยนะยิวนี่ยังไม่มีเตรอไม่มีคำภี์อยู่ในมือจะประกอบศาสน ก, กิจก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้แต่สินอะไรก็ไม่ได้พอ Allah ฟื้นฟนูคนเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ย และให้เขานี่สามารถที่จะเขียนอนตเตอร์อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่าก็ดูฉันนะฉันอาจะจะฟื้นฟูเตอร์เนี่ยให้หมดเลยเขียนให้หมดเลยพอ เ, เขียนแล้วเขาก็ยังสงสัยว่าแล้วใช่ใช่ไหมล่ะพอ เ, เขียนเตอร์อยู่คนเดียวก็มีคนเขาบอกว่าเนี่ยได้ยินมาจากปู่ย่าตายายว่ามีปราดกลุ่มเน่งเนี่ยพอบาบิลูเนี่ยเข้ามามาเผาเมืองนี่เขาเอา อุษานไอ้เอาเทรารอ์นี่หลายเล่มนี่ไปไปซ่อนที่ยอดเขาเขาก็เลยไปหากันไปหานี่พอได้แล้วมาเปรียบเทียบระหว่างเล่มนู่นะเล่มดังเดิมกับเล่มที่อัลรานี่ได้เขียนน่ะเขาก็เลยเชื่อว่าอัลลอนี่เป็นอภินิหารที่อัลลอ์ได้ได้ส่งมาซึ่งในเทวรอ์เนี่ยมีอยู่องค์การหนึ่งที่ เขาบิดเบือนขึ้นมานี่บอกว่ า, วาผู้ใดที่จะถูกเรียกว่าอัลมาซียหรือมิซายานั้นคนคนนั้นน่ยก็คือบุตรของอัลลอฮ์ซึ่งคํานี้นี่ก็คือคําเดียวนี่แหละที่คริสเนี่ยเขาเอามาอ้างว่าพระเยซูที่ถูกเรียกอัลมาเซียเพราะเขาก็เป็นบุตรของอัลลอฮ์คำว่าบุตรของอัลลอฮ์นี่นะในภาษาฮิบรูหรือในภาษ า, าคริสที่แปลจากฮิบรูแปลทั้ง อ่าเตวโรแล้วก็แปลจากโซเดียนีเนี่ยเป็นคริสเนี่ยหมายถึงไบเบิลนะนะบุตรของอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าเป็นเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่ใช่บุตรแท้แต่เขามาตีความตีความซึ่งพอเซรีเน่ได้ฟืน้นฟูถูกฟืน้นฟูขึ้นมานี่นะขเขาก็เห็นว่ามีอภินิหารเยอะที่เกิดขึ้นกับขขเขาก็เลยให้ชายาว่าเป็นมัซียเพราะให้ชายาว่าเป็นมัซเซียเท่ากับให้ สถานะเหมือนเป็นบุตรของอัลลอ์แล้วพระเยซูก็เหมือนกันถูกเรียกว่าอัลมาเซียแสดงว่าเขาได้ใช้ยาเป็นบุตรของอัลลอ์อยู่ไปอยู่มานี่ก็เลยเชื่อว่าเป็นบุตรของเราจริงยิวนี่นะไม่ได้หลงเชื่อเหมือนคริสถึงขนาดที่สถาปนาท่านนบีซาเป็นบุตรของเราจริงจริงแต่ต้นต่อต้นต่อของความเชื่อของ ของคริสเนี่ยของนสรอเนี่ยมาจากยูและเริ่มต้นจากอูซัยร์เนี่ยทอโรสวาเอาแล่าสองเรื่องเนี่ยเอาอูซัร์เนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาเซียเป็นตัวอย่างเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าต้นต่อของความเชื่อของคริสเนี่ยมันมาจากองค์การที่อยู่ในเตราร้อที่ถูกบิดเบือนของเขาเนี่ยว่าใครที่เป็นมาเซียก็จะเป็นบุตรของอัลลอฮ์ยูไม่ถึงขนาดที่เรียกว่า เป็นบุตรของลอจริงแต่ประโยคนี้มันมีในตะล้อจริงเท่ากับอัลลอฮ์มากกว่านี้นต้นตอนของคําพูดของยิวที่ว่าเอาใจรอิบนุลละถึงแม้ว่าเขาไม่ได้หลงเชื่อมันคริสต์นะแต่สุดท้ายเนี่ยไปตกทอดอยู่ที่ความเชื่อของคริสต์ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรอัลลอฮ์จริงอันนี้คือคําตอบของนักประวัติศาสตร์บางท่านเ <c oughs> กี่ยวกับประเด็นนี้ที่เขาบอกว่ายิวมันเขาไม่ได้เชื่อ จริงเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่เขามีเขามีคำกล่าวคำพูดแบบนั้นถึงเราบอกว่ายูโดฮิอูนอคำคล้ายของของคำคนในรุ่นก่อนมีนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของบางส่วนของยวที่อยู่ที่มาดีนะซึ่งนักประวัติศาสตร์ยูเนี่ยทั้งหมดใ น, ในโลกใบนี้เนี่ยเขายอมรับว่า ลัทธิความเชื่อทัศนะต่างๆของยูที่ขาบสมุทรอาหรับโดยเฉพาะที่มาดิน่าเนี่ยมันศูนย์พันไม่รับรู้แต่ยูยที่อยู่ยเมนพอที่จะรู้ได้ยูที่อยู่เอธิโอเปียเนี่ยพอที่จะรู้ได้ยูอยู่ที่ไหนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขายังมียังมีตำรับตำรายังมีการจารึกประวัติศาสตร์พอที่จะสืบได้แต่ยูที่อยู่ที่มาดิน่าเนี่นะไม่มีเลยนักประวัติศาสตร์บอกว่าเต้นไปได้ ว่าความเชื่อนี้อาจจะเป็นความเชื่อของยูบางส่วนที่อยู่ที่มาดีนะเขาเชื่ออัลเลเซอร์เนี่ยมีสถานะเป็นบุตรของลอกรดอ่านจึงเอ่ยเอ่ยพวกเขาถึงแม้ว่าเป็นความเชื่อบางส่วนแต่เราสามารถอ้างว่าเป็นความเชื่อของส่วนมากนี่มันก็ได้แต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราปักปําว่ายูทั้งหมดนี่มีความเชื่อแบบนั้นเช่นว่ากาลตินนซาเคริสต์บอกว่า มาเสียเพสุเอเนี o, ่ยเป็นบุตรของลอคริสตทั้งหมดเนี่ยบอกบอกแบบนี้ปะทั้งหมดแบบบอกแบบนี้ปะเชื่อแบบนี้ปะไม่มีคริสตบางส่วนนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเฮสุเอเนี่ยเป็นเป็นบุตรของลอเชื่อว่าเฮสุซูเนี่ยเป็นเป็นศาสดาเป็นรัศุลเหมือนกันเป็นศาสนทูตอย่างเดียวแต่เราหมายรวมว่าความเชื่อที่น่าประนามความเชื่อที่น่าจะตําหนิอ่าน่ยก็คือความเชื่อก็ความเชื่อความเชื่อแบบนี้ อายะนี้มันก็จะย้อนมาถึงเรื่องอักิดะอักิดะนี่ก็หมายถึงมรดสตาซึ่งเคยบอกกับพี่น้องว่าส่วนมากซูรห์ระบทบรรยัญญติองค์การต่างๆในในมาดีนาเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความเชื่อจะพูดถึงเรื่องปฏิบัติต้องมาแต่ซูรห์มดานิยานี ที่ถูประธานที่มาดีนะั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงความเชื่อมันต้องมีวาระที่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงความเชื่อความเชื่อทั่วไปนะเนื่องจากว่าได้พูดถึงเรื่องดีเซียซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันนี้อันนี้ตามนโยบายแตคือที่มาดี น, ะนั้นในส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอายะที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติกฎหมายปฏิบัติพอพูดถึงเรื่องดีเซียสําหรับอันูลกิตามี่ยนะ ก็เลยวะไปพูดนิดนึงว่าความเชื่อของอาคิกิตาบเนี่ยที่เลาสุมผัสนวตาราปรนามอ่ะเขามีความเชื่อแบบไหนทั้งทั้งที่ความเชื่อของคริสนัสอรอนะในข่าวสมุดอาหรับเนี่ยไม่ได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่ คริสเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตของท่านนาบีเนี่ยที่เจอที่เจอบาดหลวงที่มีความรู้นะก็มีคนเดียวและฮะดีสที่เล่าถึงเรื่องนี้นะก็เป็นฮะดีส์ตัว้อยคือสายรายงานที่อ่อนแอนั่นก็คือก่อนที่ท่านนาบีจะเป็นนบีเนี่ยก่อนที่จะเทศสนาจะรับว่าอยู่นะนบีเคยเป็นพ่อค้าไปกับลุงของท่านนาบีอบูตอลิบนี่ไปไหนนะ ไปเมืองชามนี่ขณะที่เดินทางไปเมืองชามได้ผ่านได้ผ่านาโบสถ์แห่งหนึ่งบดเล็กๆ ก, กันนะในทะเลทรายและใกล้บสนั้นก็มีต้นไม้นบีกับอบูตอลมเนี่ก็ไปพักใต้ต้นไม้เดี๋ยวนี้มีคนเขาแชร์ต้นไม้เนี่ยที่ท่านนาบีไปพักบอกว่ก็เป็นต้นไม้อายุพันกว่าปี แล้วก็มีรูปมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอัะนนี้ที่เขาแชร์กันนะ่นนี่อย่าเชื่อนะไ ม, ไม่ไม่เป็นจริงเพราะก็บนบีนบีไปพักในตนน้นไม้นี้แล้วก็บอกว่าทําเป็นรั่วเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่จริงนะครับสายรายงานของเรื่องนี้ในซีรอนี่ย อ, อย่างดอยผิวยังไม่น่าเชื่อถือแต่ น, นี้มีอันเดียวที่ท่านนาบีไปพักแล้วก็มีเมฆมมามาม า, ม า, มาสร้างร่มร่มเงาร่มเย็นให้ท่านนาบี คนในโบสถ์นี่ี่บาทไปบอกกับหลวงพ่อนี่หัวหน้าโบสถ์นี่คนนี้เม่อะไรมามาดูดิเขาก็เลยมาเข้าเข้ามาหาท่านนบีตอนนั้นนบียังไม่ได้เป็นนบีนะท่านนบีแล้วก็มาสนทนากับท่านนบีจนจนมั่นใจแล้วว่านี่นี่คือนบีสุดท้ายของยุคสุดท้ายแล้วก็บอกกับอาบูตอลิบลุงท่านนบีเนี่ย ให้ดูแลให้ดีนะแลระวังพวกยิวด้วยนะเขายูดเนี่ยเขามุ่งที่จะทาลายคนนี้นะอันนี้ตามตามคำพทีที่เขาเล่านะว่าคนนี้ไม่หวัง <c oughs> ไม่หวังดีกับนา บ, บีคนสุดท้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นแสารายงานแสายรายงานเดียวแล้วก็ต่ อ, อยิบด้วยแต่มีนักโบรบาคดีชาวเยอรมันคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ชีโกลเจฮ์สาระคนนี้โกลเจฮ์คนนี้เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนา่ไม่ใช่มุสลิมนะและเป็นยิวด้วยเขาบอกว่าที่จริงมันมีบางเรืองงานว่าที่มักกะเนี่ยเคยมีบาดหลวงสองคน บาดหลวงสองคนนี้เนี่ยพักอาศัยอยู่ที่มักกานี่นะแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์และนบีมุฮัมมัดก่อ น, นอที่เทศนานี่นะชอบคุยสนทนากับบาดหลวงสองคนนี้แสดงว่าเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับศาสนานี่นะที่ไปที่มาเนี่จากไหนจากศาสนาคริสต์จากบาดหลวงซึ่งพอไปค้นหาดูเนี่ยรายงานนี้เนี่ยมันไม่มีเลย ที่มีเนี่ย เ, เอามาจากเอามาจากหนังสือประวัติศาสตร์ไม่มีสายรดยงานเลยอันนี้ในในในในหลักการประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อิสลามเราเชื่อชีวปรนท่านนาบีนี่ไม่มีสายรดยงานเลยนี่เราเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องประดังประดานเรื่องเมาด้วงไงอา้าแล้วสมมุติว่าเธยอมระบวาบาดหลวงคนเดียวที่ท่านนาบีได้พบเนี่ยคือบาฮีรอนนี่ก็คือตอนที่ท่านนาบีเอ่อเดินทางเป็นพ่อค้าไปชามะ น, นะ สนทนากับบาหฮรานี่ไปเดียวปะดาวเป็นไปได้ไงอะว่ที่สนทนาก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่จะถ่ายทอดความรู้ของคัมเบียอะไรทั้งหมดนี่แล้วก็ท่านนาบีก็จะมามามาลัาง่งอ่านขึ้นมาอันนี้นี่คือความต้องการของเขาอะท่านนาบีไม่ได้เอามาจากพระเจ้าหรอกมันเป็นข้อมูลข้อมูลเดํมเดิม อจากคำพีตรอร์จากคำพีอินยีลจากบาดหลวงจากนักศาสนาจากนักบวชที่เขาเคยเจอกันแล้วเขายังยังยั ง, ย, งยังตีความไม่้โอ้โหเขาบอกว่า เ, เป็นไปได้ไงนบีเป็นพ่อค้าพอไปถึงเมืองชามนี่ก็ต้องเจอโบสสักแห่งหนึงต้องเจอบาดหลวงสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งกินน้ําชาจิบน้ําชากาแฟกันบ้างแล้วก็สร้างเรื่องไม่สร้างหรือพูดไปเรื่อยทั้งหมดนี่เพื่อให้ให้เห็นว่า เอาข้อมูลของกุฎอ่านนี่นะมาจากเตาร์รและกะอัอินจีลถ้ามีคนมาตอบโต้โกลเซฮารคนนี้นะครับว่าคือถ้าเราสมมติฐานนะว่านบีเอาข้อมูลมาจากเตาร์รและกัอินจิลซึ่งมุสลิมยอมรับนะว่ามีส่วนหนึ่งมาจากเตาร์รและอินจิลแต่ไม่ได้หมายว่านบีถ่ายทอดมาจากบัดหลวงนะไม่มาจากอัลลอฮ์นั่นเอง หมายถึงว่าเราเชื่อว should e ่าแหล่งเดียวนี่เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวที่ประทานเตาร้อนลงมาที่พระทานอินจีลงมาประทานกุตอานก็คือพระเจ้าองค์เดียวนี่แหละเราเชื่อแบบนี้แต่ไม่ได้เชื่อว่านบีเอามาเอาเอาถ่ายทอดเตารอนแล้วก็อินจีเลยจากบัตรหลวงจากนักบวชอันนี้มุสลิมไม่ได้เชื่อแบบนี้กุลลังต์บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นเนี่ยถ้าเราจะสมมุตินาว่าเชื่อแบบนั้นนะแต่มีเรื่องในกุตอานังนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเตาร้อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอินจีเลย อันนั้นจะที่บา ย, ยางไงแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยะฮูดและนัสารานี่เขารู้เขารู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดอย่คนเดียวที่สามารถให้คำตอบได้ถึงยูที่มา ด, ดีห น, น้านี่เอาคำถามสามคำถามนี่มาถามท่านนาบีมาถามท่านนาบี คำถามหนึ่งเกี่ยวกับชาวถ้ำและคําถามนี้เกี่ยวกับอรูปวิญญาณและคําถามเกี่ยวกับออต้นไม้ที่ถูกสับแช่นนบีเข้ามาให้คําถามนี้นบีก็เลยบอกว่าผมไม่มีคําตอบผมต้องต้องรอก่อน แค่คำตอบนี้เนะี่ยยิวก็บอกว่าน่าจะใช่แล้วคือถ้าเป็นถ้าเป็นคนแอบอ้าง่าเป็นนบีนะไม่เสียหน้าหรอก <c oughs> ทอ้อตอนนั้นเลยอ่ะแล้วก็ใครจะมาแก้ให้แก่แล่ะม่มีใครแก้ตอบไปยังไงก็ได้แต่นี่นบีบผมผมต้องรอคำตอบจากพระเจ้าแค่นี้เนะี่ยยิวก็บอกว่าคงน่าจะใช่แล้วล่ะนบีไม่มีไม่มีใครที่จะพูดแบบนี่นอกนอกเป็นคนที่ มีมีความมั่นคงในแหล่งข้อมูลเราก็ให้คาตอบเกี่ยวกับชาวถู้รารกฟีแล้วก็คาตอบเกี่ยวกับวิญญาณอรูแล้วก็ต้นไม้ยกสับแฉกในในสุตเลอิสราะ و ا ل ش آ นี่ก็มีคาตอบมีคาตอบจากท่านนบ ซึ่งคําตอบนี้เนี่ยบางส่วนที่เป็นรายละเอียดนะรายละเอียดเช่นจํานวนจํานวนชาวถ้ำเท่าไหร่กูตอ่านก็บอกเซกูลูนะเสตุรรบิโอหุมเกลบบูหัวยากูรุนะคำสตุนเสดีสุมเกลบบูบางคนก็จะบอกว่าสามสุนักนีน่เป็นที่สี่ชีวิตที่สี่ บางทศน์บอกว่าสี่และสุนัขเป็นชีวิตที่ห้าแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทิ้งท้ายว่าพวกเขาบอกว่าเจ็ดชีวิตที่แปดนี้ก็คือสุนัขอับดุลลาบบีอาบบัสบอกว่าสองทศน์แรกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่แล้วก็พูดทัศนะที่สามเนี่ยแล้วก็ไม่ได้วิจารณ์ก็แสดงว่าน่าจะเป็นทัศนะ ซึ่งทศนะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ถูกระบุนในเตวรอในอินชีก็เป็นบางส่วนที่อหุลแลนะนอสรอก็ยอมรับว่ามีรายละเอียดหลายอย่างในกุ ร, รานนะเป็นไปได้หรอท่านนบีถ้าเอามาจากเอามาจากเตวรอเอามาจากอินชีลก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องกอบกอบมาแต่นี้มีบางอย่างที่เป็นรายละเอียดที่ปราดของยอหูดแลนะนอสรอเนี่ก็ยอมรับว่ามันเป็นรายละเอียด ที่ให้คำตอบกับความขัดแยง้งความขัดแย้งที่เขาเคยมีในศาสนาของเขาอันนี้คือความเชื่อที่ผมบอกว่าในอายะนี้อายะที่ทไหร่นะอาะที่สามสิบนี้เนี่ยในสุรัตอตโตวาที่ถูกประธานลงมาที่มาดีนะ่ะย้อนมาพูดถึงเรื่องความเชื่อเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องจิซียญญา แต่มันก็เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของหลักศรัทธาเราจะสังเกตว่าอายะนี้กำลังพูดถึงความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าที่ที่มีองค์เดียวที่ไม่มีคู่เคียงไม่มีไม่มีไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านแล้วก็เดี๋ยวอายะต่อมานี่ก็จะพูดถึง เ, เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องความเชื่อเหมือนกันก็คือบทบาทของบาทหลวงนักบวชในการที่จะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละให้มีผู้อื่นที่ต้องเคารพสักการะที่ต้องเชื่อฟังอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักศรัทธาความเป็นเอกะของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละเราต้องยกยอด ต้นไม้ทุ Brother ่งสาบแช่งในอุ Lake ่นไม้ในนรกอัลซักอูมต้นไม้ทุ่งสาบแช่งเนื่องจะกวเป็นต้นไม้ในนรกที่เอาละให้เป็นอาหารเป็นอาหารทานของของของชาวนรก แล้วก็มีหน้าตาที่น่ากลัวคือแค่เห็นปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้ก็จะรู้สึกเบิกบานรู้สึกรู้สึกดีใจชื่นอกชื่นใจแต่ต้นนี้เนี่ยใครเห็นแล้วเนี่ยก็ตกใจเห็นแล้วเนี่ยก็จะหวาดเสียวอืก็ถึงเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่สลับแช่งอัซกูนั่และก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องตัดนะไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องทำลายที่จริงเนี่ยทำลายต้นไม้เนี่ยถ้ามีความจําเป็นเนี่ยก็ทําได้ หมายถึงว่าถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็เป็นข้อห้ามไม่ไม่แต่ถ้า ม, มีความจำเป็นที่ต้องทำเนี่ยเช่จนจะถูกใช้ทำเป็นอาวุธถูกใชท้ทามาทำร้ายอย่างเช่นเขาจะตัดต้นไม้มาเผามาเผาเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องห้ามเขาแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นทนี่ห้ามแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าในเมื่อต้นไม้ของยูเนี่ย มันจะไม่มันจะไม่พูดจะไม่ฟ้องถึงยิวที่มาแอบมาซ่อนตัวหลังต้นไม้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานหรือความเข้าใจของอุลามาว่าอ๋อถ้าถ้าแบบนี้น่ะต้นไม้นี่ห้ามปลูกไม่ไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีว่าเออถ้าอย่างนั้นในในรัฐอิสลามต้นไม้นี่ห้ามปลูกยิวเมันไม่ไม่เคยมีอุลามาพูดแบบนี้เลยก็ปลูกจริงๆเนี่ยมุสลิมก็บางมิบางคนก็ปลูกมุสลิมก็ไม่ปลูกคือเราเฉยๆไง เราเฉยๆแต่มีมีอุลามามีผู้รู้บางท่านบอกว่าอันนี้ที่รัฐบาลที่สุดเ น, นี่ยเขาขายันปลูกกันเลอเกินแต่ผมยังไม่มีหลักฐานยังไม่ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนเออเป็นนโยบาของรัฐจริงหรือเปล่าที่เขาปลูกยังยังไม่พบแค่เห็นเขาพูดกันเฉยๆขณะกดบ้าวันสูงกันล่ะจะถามจะถามอิห ม, ม่ามเขาเต็มกำลังกำลังกดบ้าอยู่ ให้คุยกันไม่ได้แต่ถ้าจดกสนทนากับข้อเทบเนี่ยมีความจําเป็นนะนะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับผมไม่เข้าใจจริงผมกลัวว่าจะสับสนครับยังไงครับอันนี้มีสมัยท่านนาบีเนี่ยก็มีคนคนทักท่านนาบีนี่ไม่ใช่มีข้อหา้ามมีการกระทํามีการกระทําสมัยท่านนาบีที่คนทักนบีแล้วก็ถามสมัยซอว์บ้านิ่งแล้วเลยเยอะ ที่ห้ามนี่นี่ยก็ห้ามคือคนที่จะคุยกันเองอ่ ะ, ะแสดงว่าไม่เกี่ยวกับขุดบ้านแน่นอนแต่ถ้าคนนี้สนทนากับกับเขาเตบเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ในหน้าขุดบ้านแน่นอนอืผมก็เคยใช้สิทธินี้ครั้งหนึง่งไม่มีใครทั น, นใช้สิทธิ์ครั้งหนึง่งทักทวงหนึ่งเนีหาขุบ้านนี่แหละครับแค่ น, นี้นะครับ สลามอาลัยกุมุรรห์มุลล่า